บัดนี้ท่านไม่อาจที่จะเปลื่องแม้เพียงความเห็นผิดของมารดาของตนได้เลยเพราะฉะนั้นจึงตกลงใจว่าเราจะเปลื่องมารดาของตนจากความเห็นผิดแล้วปรินิพานในห้องที่เกิดนั่นแหละจึงคิดแล้วว่าวันนี้เทียวเราจะขออนุญาตพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วออกไปดังนี้จึงเรียกพระจุนท่าเถระมาว่าจุนทะเธอจงให้สัญญาแก่ผู้สู่บริษัทห้าร้อยรูปของเราว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงถือเอาบาดและจีวรไปพระธรรมเสนาบดีประสงค์จะไปบ้านนาละกะพระเถระก็ได้ทําอย่างนั้นทุกสิทั้งหลายจึงเก็บเสนาสะนะถือบาทและจีวรไปสํานักของพระเถระพระเถระเก็บเสนาสะนะกว่าที่พักกลางวันและยืนอยู่ที่ประตูที่พักกลางวันของตนก็ตรวจ ด, ดูที่พักกลางวันคิดว่าแบบนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้าย แต่ความคิดว่าท่านจะได้เห็นเชตวันอย่างนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่มีการมาอีกแล้วมีผู้สู่ห้าร้อยรูปเวทล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตข้าพระ อ, องค์ขอพระสุคตเจ้าทรงอนุญาตนี้เป็นกาละปรินิพานของข้าพระ อ, องค์ อายุสังขารของข้าพระ อ, องค์ตวงโล่ก็เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายพอขออนุญาตเสร็จนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อตรัสว่าเธอจงปรินิพานก็จะกลายเป็นการสรรเสริญความตายไปเมื่อตรัสว่าเธออย่าปรินิพานคนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะยกโทษว่ากล่าวสรรเสริญคุณของวัตตะเพราะฉะนั้นไม่ตรัสคําแม้ทั้งสองเพราะเห็นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า เธอจักปรินิพานที่ไหนคือมาขอลาปรินิพานเนี่ยจะไม่บอกว่าจงปรินิพานหรือจงอยู่คือไม่พูดทั้งสองคำถามว่าท่านจะกปรินิพานที่ไหนท่านภาษาริบุตรเมื่อกราบทูลว่าข้าแตพ่พระองค์พูเจริญข้าพระ อ, องค์จักปรินิพานในห้องที่ข้าพระ อ, องค์เกิดในบ้านนาลตะแขวนมคตนั้นพระองค์จึงตรัสว่าสาริบุตรเธอจงสําคัญเวลาในบัดนี้ ก็ออการเห็นพิกษุเช่นเธอของพิกษุผู้เป็นทั้งพี่และน้องของเธอเนี่ยจักหาได้ยากในบัดนี้เธอจงแสดงธรรมแก่พิกษุเหล่านั้นพเพราะเถรรู้แล้วว่าพระาศาสดาทรงหวังเฉพาะการแสดงธรรมที่ขึ้นด้วยการแสดงฤทธิ์ของเราหมายค่ะว่าแสดงฤทธิ์ด้วยควบคู่กับการแสดงธรรมท่านก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เหาะขึ้นไปบนอากาศประมาณชั่วหลับต้นตา ชั่วต้นตาล น, นั่นก็นย่อดทรายแล้ว น, นะเหาะลงแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคพระพลแล้วก็เหาะขึ้นประมาณสองชั่วลําตาลแล้วก็ลงมาถวายบังคมอีกก็เหาะอยู่อย่างนี้เจ็ดครั้งแล้วก็ลงมากราบเจ็ดครั้งนั่ะแสดงปาฏิหาริย์หลายร้อยอย่างแล้วก็ปรารรธรรมกถาคือท่านแสดงอริยสัจธรรมด้วยกายที่ปรากฏบ้างด้วยกายที่ไม่ปรากฏบ้างแสดงปรากฏเฉพาะข้างบนบ้างหรือปรากฏเฉพาะ ล่างบ้างหรือเฉพาะแค่ครึ่งกายบ้างบางทีก็แสดงเป็นรูปพระจันทร์โดยที่ไม่มีใครเห็นบางครั้งก็เป็นรูปพระอาทิตย์บางครั้งก็เป็นรูปภูเขาบางทีก็เป็นรูปทะเลบางทีก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิบางทีก็เป็นเท้าเวสวรร์มหาราชบางทีก็เป็นเท้าสักกะบางทีก็เป็นเท้ามหาพรหมเมื่อแสดงปาทิหารหลายร้อยอย่างอย่างนี้พระเถระจึงกล่าวธรรมกถาชาวพนครทั้งสิ้นประชุมกันแล้วพระเถระเหาะลงแล้ว ได้ยืนถวายพระบาทพระทศพลลําดับนั้นพระาศาสดาได้ตรัสกับพระเถระนั้นว่าสารีบรธรรมะปริยายนี้ชื่ออะไรพระสารีบรบอกว่าสีหะนิกิริตะเครียกวการเยื่อายดุด ร, ราชสีพระเจ้าค่ะพระสารีบรเอาเถิดธรรมะปริยายนี้ชื่อว่าสีหนิกิริตะสารีบุตรเอาเถิดกระบวนธรรมนี้ชื่อว่าสีหนิกิริตะพระเถระได้เหยียดมือมีสีดังครั่งสด แ, แสดงว่ามือของภาษารุบุตรนี้สีแดงแล้วก็จัดที่ข้อพระบาทเช่นกับลายเต่าทองของพระศาสดาพลางกราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญข้าพระ อ, องค์บรรเทนบารมีมันหนึ่งอสงไขยกาไรสน ก, ก็เพื่อถวายบังคมพระบาททั้งสองนี้ของพระ อ, องค์มโนรสของข้าพระ อ, องค์ถึงที่สุดแล้วบัดนี้ แต่นี้ไปการประชุมกันในที่เดียวกันด้วยอำนาจปฏิสนธิจะไม่ได้มีอีกแล้วสมาคมก็จะไม่ได้มีความคุ้นเคยกันได้ขาดแล้วข้าพระองค์จะเข้าเมืองคือพระนิพพานที่ไม่แก่มไม่ตายกระเรม็มีสุขเย็นสนิทไม่มีภัยที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายหลายแสนพระองค์เข้าไปแล้วถ้าว่าพระองค์ไม่ทรงชอบพระไทยโทษไร้ของข้าพระองค์ ที่เป็นไปทางกายหรือทางวาจาขอพระ อ, องค์ทรงอดโทษนั้นด้วยข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นการไปของข้าพระ อ, องค์แล้วก็ภาษาฤาษีท่านลาปรินิพานซึ่งหลังจากนี้จะไม่มีการสมาคมอีกต่อไปกลัวหานว่าเมืองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามีผู้เข้าไปเสวยซึ่งหมายถึงการดับเดรัดการทั้งปวงซึ่งไม่มีการปฏิสนธิอีกต่อไป พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าสารีบุตรเราอดโทษต่อเธอก็โทษรายๆของเธอที่เป็นไปทางกายหรือทางวาจาที่ไม่ชอบใจของเราไม่มีเลยสารีบุตรแบบนี้เธอจงสาคัญกาลอันสมควรเถิดเมื่อท่านภาษารีบุตรถวายบังคมพระ บ, บาทของพระศาสดาลุกขึ้นในลำดับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้ว แผ่นดินใหญ่แม้ที่กำหนดนับด้วยภูเขาซิเนรูภูเขาจักรวาลภูเขาหิมะพานและภูเขาบริพัน์ร้องขึ้นพร้อมกันดุดกล่าวว่าเราไม่อาจจะทรงกองแห่งพระคุณนี้ไว้ได้ในวันนี้ได้ไหวแล้วจนถึงน้ำเป็นที่สุดเทพมหรทธิคือดนตรีในอากาศของเทวดาก็เบลงขึ้นมหาเมฆก็ตั้งขึ้นแล้วก็ยังฝนบกครพัดให้ตกลง พระศาสดาทรงบําเหว่าเราจะให้พระธรรมเสนาบดีแสดงโดยเฉพาะดังนี้แล้วจึงทรงลุกขึ้นจากที่ฟังธรรมสเสด็จมุ่งหน้าต่อพระคันธกุตีได้ประทับยืนบนแผ่นแก้วพระธถระ ก, ก็ทําประทักษิณสามครั้งแล้วถาวายบางคนในที่สี่แห่งก็คือกราบข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังกราบสี่แห่งแล้วก็กราบทลูลปงวาจา ว, ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า เลยไปหนึ่งอสงไขยตายําไรแสนกลับแต่กลับนี้ไปข้าพระองค์มอบลงที่เล้าพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอโนมัทีปราถนาเห็นพระองค์ความปราถนาของข้าพระองค์นั้นสาเร็จแล้วข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้วเป็นการเห็นครั้งแรกนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายการได้เห็นพระองค์ไม่ได้มีอีกแล้วดังนี้ แล้วก็ประคองอัญชลีซึ่งร่วงรวงด้วยการประชุมทั้งสิบนิ้วหันหน้าเฉพาะกราบเท้าที่จะเห็นได้ถอยกลับแล้วถวายบังคมแล้วหลีดไปมหาปติพิมไม่อาจจะส่งไว้ได้หวนไว้จนถึงน้ำรองแผ่นดินพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุที่ยืนรอบล้อมว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงติดตามพี่ชายของพวกเธอไปเถิด ขณะนั้นบริษัททั้งสี่ละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้พระ อ, องค์เดียวในพระเชตวันออกไปไม่เหลือเลยก็ทุกคนก็ตามส่งพระสารีบุตรกันฝ่ายชาวพระนครสาวะถีพากันพูดว่าข่าวว่าพระสารีบุดเถระทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วประสงค์จริตรินิพานออกไปแล้วพวกเราจะไปเยี่ยมท่านพาตามถือเอาของหอมและพวงมาลาเป็นต้น ออกไปจนแน่นประตูเมืองสยายผมร้องให้คร่ำครวญโดยนายตนต้นว่าบัดนี้พวกเราเมื่อถามว่าท่านผู้มีปัญญามากนั่งอยู่ที่ไหนพระธรรมเสนาบดีนั่งณที่ไหนดังนี้จะไปในสัานักของใครจะยางสักการะในมือของใครก็เสียใจร้องให้คร่ำครวญเนี่นะพระธีระหลีดไปแล้วจึงได้ติดตามพระธีระ พระเถระเพราะความที่เตนมดำรงอยู่ในปัญญา ม, มากคิดแล้วว่าทางนี้คนทั้งหมดไม่ควรก้าวเลยแล้วก็อวยมหาชนว่าท่านทั้งหลายท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้พวกท่านจหยุดอย่าถึงความประมาทในพระทศพลเลยแล้วให้หมู่พิกสุกลบหลีกไปกับบริษัทของตนพวกมนุษย์เหล่าใดต่างคร่มควรว่าครั้งก่อนพระผู้เป็นเจ้า เที่ยวจาริกไปแล้วก็กลับมาบบบนี้เป็นการไปเพื่อจะไม่กลับมาอีกจึงพากันติดตามอยู่อย่างนั้นพระธิรากล่าวกับมนุษย์เหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทชื่อว่าสังขารทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้จํำมาให้ดีนะสังขารทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้แล้วก็กลับไปลํำดับนั้นท่านพระสารีบุตรทําการสงเคราะห์พวกมนุษย์ตลอดเจ็ดวันในระหว่างทาง พักเพมคือเดียวในที่ทุกแข่งก็คือเดินทางเจ็ดวันเนี่ยนะจากเมืองสาวัตถีมาถึงนาละกะในเวลาเย็นก็คือมาถึงหมู่บ้านเนี่ยเวลาย็นได้ยืนที่โคนต้นใส่ใก้าวประตูบ้านลำดับนั้นหลานของพระเถระชื่อว่าอุปรเรวตะไปนอกบ้านได้เห็นพระเถระเล้จึงเข้าไปยืนเล่าอยู่แล้วพระเถระจึงได้กล่าวกับเขาว่ายายของเธออยู่ในเรือนหรือครับ ท่านผู้เจริญบอกเธอจงไปบอกว่าเรามาในที่นี้เมื่อยายกล่าวว่ามาเพื่อเหตุไรก็จงกล่าวว่าข่าวว่าพระเถระจะอยู่ในบ้านตลอดวันหนึ่งในวันนี้ท่านจงจัดแจงห้องที่พระเถระเกิดและข่าวว่าท่านจงรู้ที่อยู่ของพิสูจน0ห้ารอรูปเขาไปแล้วก็บอกว่ายายลุงของผมมาแล้วยายก็ถามว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนบอกอยู่ที่ประตูบ้าน มีใครอื่นมาบ้างไหมบอกมีพิสูตติดตามมาด้วยห้าร้อยรูปถามว่ามาทําไมเขาก็บอกความเป็นไปอย่างที่พระสารีบุตรสั่งมานางพรามณีก็คิดอยู่ว่าลูกชายของเราเนี่ยทําไมจึงให้เตรียมที่อยู่แก่เพื่อพิสูตเท่านี้ท่านบวชมาตั้งแต่นมตอนแก่แล้วอยากจะสึกกระมังจึงให้จัดแจงห้องครอบให้ทําที่เป็นที่พักของพิสูตห้าร้อยรูป ให้จุดเทียงและตะเกียงส่งไปถวายพระเถระพระเถระพร้อมกับพวกพิสุขึ้นปร า, าสาทแล้วก็นั่งอย่างห้องคลอดพอนั่งลงแล้วก็ส่งพวกพิสุไปว่าพวกท่านจงไปพักผ่อนกันเถิดอมเสนาบดีอยู่ที่ไหนเห็นแล้วว่านอนบนเตียงที่เป็นที่ปรินิพานในห้องที่ตนคลอดในบ้านนาละกะพวกเราจะไปเยี่ยมท่านเป็นครั้งสุดท้ายมาแล้วได้ยืนว่าอยู่ ภาษาลีบทก็ถามว่าพวกท่านเป็นใครท้ามหาราชก็บอกว่าท้ามหาราชครับมาเพราะเหตุไรบอกจะมาบำรุงไข้าของท่านภาษารีบทก็บอกช่างเถิดผู้มีอายุผู้บำรุงของเราผู้เป็นไข้มีอยู่ขอพวกท่านจงไปเถิดแล้วก็ส่งไปคล้อยหลังเท้ามหาราชเท้าสักกะก็มาคล้อยหลังเท้าสักกะเท้ามหาพรหมก็มาพระเถระก็ส่งให้ท่านเหล่านั้นกลับไปเมื่อนางพาะมณีเห็นพวกเทวดา พากันมาจึงคิดว่าเทวดาเหล่านี้ไหว้บุตรของเราแล้วก็ไปพระเหตุรายนอแลจึงไปยังประตูของพระเถระแล้วถามว่าพ่อจุนทะมีความเป็นไปอย่างไรพระเถระพระจุนทะเถระก็บอกความเป็นไปนั้นจึงเรียนพระเถระว่าท่านผู้เจริญมหาอุบาสิกามาพระเถระก็ถามว่าเพราะเหตุใดจึงมาในเวลาที่ไม่เหมาะนางจึงกล่าวว่าพ่อแม่มาเพื่อเยี่ยมลูกแล้วก็ถามว่าพ่อ พวกใครมาก่อนก็ตอบว่าเท้ามหาราชทั้งสี่มามหาอุบาสิกาเจ้าเป็นใหญ่กว่าเท้ามหาราชทั้งสี่หรือพ่อมหาอุบาสิกาเท้ามหาราชทั้งสี่เหมือนเด็กวัดตั้งแต่พระศาสดาของพวกเราถือปฏิสนธิก็ถือพระขันรักษาแล้วเอาคล้อยหลังเท้ามหาราชไปแล้วใครมาบอกเท้าสักกะจอมเทพเจ้านี้เป็นใหญ่กว่าเท้าสักกะจอมเทืออีกหรือ อุบาสิกาเท้าสักกะก็เช่นเดียวกับสามเณรผู้ถือสิ่งของเวลาที่พระศาสดาของพวกเราเนี่ยเสด็จลงจากดาวดึงพภ พ, พ, พก็ได้ถือเอาบาตรจีวรตามลงมาหลังจากท้าสักกะไปแล้วเนี่ยผู้ใดมาสว่างสวัยนี่กว่าคนอื่นหมดอุบาสิกานั่นเท้ามหาพรหมผู้เป็นพระเจ้าและเป็นศาสดาของโยมบอกว่าลูกนี้ยังใหญ่กว่าเท้ามหาพรหมพระเจ้าของโยมหรือ บาสิกาเล่ากันว่าเชื่อว่าเท้ามหาพรหมสีเหล่านั้นน่ะในวันที่ภะษาสดาของพวกเราประสูดเอาขขา่ทองรองรับพระมหาบุรุษคือรู้ว่านางรูปปสารีคนนี้จะบันลุเพราะฝั่งพุทธคุณเพราะฉะนั้นคาถามทุกคำถามเนี่ยจะชี้ไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดขณะนั้นเมื่อนางพรามณีคิดว่าเพียงลูกของเรายังมีอนุภาพเท่านี้ พระศาสดาซึ่งเป็นพระเจ้าของลูกเราเนี่ยจกมีอนุภาพขนาดไหนหนอพลันปีติห้าอย่างก็เกิดขึ้นแผ่ไปทั่วสริระพระเถระก็คิดว่าปีติสมนัสเกิดขึ้นแล้วแกมานดาเทียบแบบนี้เป็นเวลาสมควรจะแสดงธรรมจงกล่าวว่ามหาอุบาสิกาท่านกำลังคิดอะไรลูกเมื่อกำลังคิดถึงเหตุนี้ว่าเพียงลูกเรายังมีคุณถึงเพียงนี้แลว แล้วสาสดาของลูกนั้นเล่าจากขนาดไหนมหาบาสิกาขณะที่พระสาสดาของอาตมาประสูตรในขณะที่เสด็จพนวดในขณะตรัสรู้และในขณะปะกตศ ธ, ธรรมจักหมื่นโลกภาพก็หวันไหวแลวขึ้นชื่อว่าผู้ที่จะเสมอด้วยศีลเสมอด้วยสมาธิที่จะเสมอด้วยปัญญาที่จะเสมอด้วยวิมุติที่จะเสมอด้วยวิมุตติญาณทัศนะไม่มี แล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ขยายให้พิศดานว่าแม้เพร่อเหตุอย่างนี้แม้เพร่อเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์กระสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์งเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถทีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยื่งกว่า ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้โบกบาลผู้จำนนแนกแจกแจงพระธรรมก็แสดงพระธรรมเกี่ยวกับพระพุทธคุณอย่างนี้ไปเรื่อยในเวลาจบธรรมเทศนาที่ประกาศอริยสัจของลูกรักนางธามมณีก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิพัธ์แล้วก็กล่าวกับลูกว่าพ่ออุปติสสะทำไมพ่อจึงทำอย่างนี้ พ่อไม่ได้ให้แม่ดื่มอมตะทำเห็นตานี้แก่แม่ตลอดการเท่านี้ตำหนิลูกว่าแม่น่าจะมาสอนกันตั้งนานแลว้วนะที่ไหนได้นะท่านก็เวียนมาด้ว ย, ยแต่ไม่ยอมฟังเองพระธีรก็คิดว่าบัดนี้เราให้เท่านี้ก็ควรแก่มารดาแลว้วนี้สําหรับค่าเลี้ยงดูสําหรับแม่พรามณีสารีจักควรด้วยเหตุเท่านี้เพียงว่าหยิกยื่นโสดาปฏิพมให้ก็ถือว่าควรแก่ค่าน้ํานมแลว้ว ใช้ข้านำนมตัดแทนเสร็จแล้วของเราในี้ใครใช้เสร็จบ้างก็เลยกล่าวว่ามหาอุบาสิกาท่านจงไปเถิดก็ส่งนางพรามณีไปแล้วก็กล่าวว่าจุนทะเวลานี้เป็นเวลาเท่าไหร่บอกว่าจุนสว่างแล้วครับเธอจงประชุมพิสุสงพิสุสงประชุมกันแล้วครับเธอจงประคองให้เรานั่งพระจุนทะก็ประคองให้นั่งแล้วพระเถระจึงเรียกพิสุทั้งหลายมากล่าวว่าอาวิโส เมื่อพวกท่านทั้งหลายเที่ยวไปกับผมตลอดสี่สิบสี่ปีกรรมใดของผมที่เป็นไปทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีที่พวกท่านไม่ชอบใจขอให้พวกท่านจงอดโทษให้แก่ผมด้วยพิสูน์ทั้งหลายก็เรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจย่อมไม่มีแก่พวกข้าพเจ้าผู้ไม่ละท่านเที่ยวไปดุจเงาของท่าน ตลอดการเท่านี้แต่ว่าขอท่านจงอดโทษให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดลำดับนั้นพระเทระจึงดึงมหาจีวรมาปิดหน้านอนโดยตะแคงขวาเข้าสมาบัติเกตามลำดับคือเข้าตั้งกต่ชานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เข้านิโรธสมาบัติออกจากนิโรธสมาบัติก็เข้าเนวาสัญญาไล่ามาจนถึงปฐมชาญแล้วก็ไล่ขึ้นไปจนถึงเจ็ดุทชาญ ออกจากจตุทชาญก็ปรินิพานมหาปฏภีก็สันสะเทือนในทันใดนั่นเองการปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานก็ได้มีแล้วอุบาสิกาก็คิดว่าลูกของเราไม่กล่าวอะไรอะไรเลยหรือหนอลุกขึ้นงวดหลังเท้าก็รู้ว่าปรินิพานแล้วเปล่งเสียงดังหมอกที่เท้ากล่าวว่าพ่อพวกเราไม่รู้คุณของพ่อก่อนแต่นี้ก็บัดนี้ แม่ไม่ได้เพื่อจะนิมนต์ที่สูหลายร้อยหลายพันหลายแสนตั้งแต่พ่อให้นั่งฉันในนิเวศไม่ได้เพื่อจะให้นุ่งห่มจีวรไม่ได้เพื่อจะสร้างวิหารเป็นพันดังนี้ครําครวญอยู่แล้วจนถึงอรุณขึ้นเมื่ออรุณขึ้นเท่านั้นนางก็ให้เรียกนายช่างทองเพื่อให้เปิดห้องเก็บทองให้ช่างด้วยตาช่างใหญ่แล้วก็ส่งกล่าวว่าพ่อทั้งหลายจงทําเรือนยอดห้าร้อย รือต้อนรับแขก500ฝ่ายท้าส ก, กเทวราชก็ตรัสเรื่องวิศณุกรรมเทพบุตรมาตรัสว่าพ่อพระธรรมเสนาบดีปรินิพานแล้วท่านจงเนรมิตเรือนยอด500เรือนต้อนรับแขก500เรือนที่มหาอุบาสิกาให้สร้างแล้วรวมกับที่วิศณุกรรมเนรมิตด้วยกันเป็น 2,000 ด้วยประการชนีลําดับนั้นคนทั้งหลายจึงให้สร้างบรรจ ลืวนด้วยของสาระวางเรือนยอดไหลไว้ท่ามกลางมนดบแล้วก็วางของที่เหลือโดยสังเขปว่าเป็นบริวารปรารบการเล่นสาธุกีฬาระหว่างเทวดาได้มีในเหล่ามนุษย์ระหว่างมนุษย์ได้มีในเหล่าเทวดาอุปถยิกาคือโยมผู้หญิงที่อุปถักพระเถระคนหนึ่งชื่อว่าเรวดีคิดว่าเราจักบูชาพระเถระก็ได้ทำเสาดอกไม้ทองคำสามต้น เทาสก่คิดว่าเราจะบูชาพระเถระมีนักเฟิร์มสองแสนกบเอทล้อมแล้วก็เสด็จลงแล้วมหาชนหันหน้ากลับด้วยคิดว่าเท้าสก่าเสด็จลงสแสดงว่าตรงนี้ก็เท้าสกามาพร้อมนางฟ้าเต็มไปหมดเลยแม่อุบาสิกาในนั้นก็ถอยกลับเพราะมีภาระหนักไม่อาจจะถอยลงไปได้เพราะถือเสาทองคํามาก็หนักมากก็ถอยไปในที่ข้างหนึ่งก็ล้มลงในระหว่างพวกมนุษย์พวกมนุษย์ ไม่เห็นอยู่ก็เลยเหยียบอุบาสิกานั่นแหละนางก็ตายมาทําบุญงานพระสารีบุตรก็เลยตายเลยก็เกิดในวิมานทองในพบชั้นดาวดึงขนาดที่เกิดนั่นเทียวนางได้มีอัตภาพสามขาวุฒโดยประมาณเหมือนท่อนแก้วนางประดับด้วยเครื่องประดับประมาณเต็มหกสิบเล่มเกลี่ยมีนางฟ้าพันหนึ่งเวทล้อมแล้วนางฟ้าทั้งหลายจึงวางกระจกสําหรับแต่งกายทั้งหมดอันเป็นทิพย์ไว้ข้างหน้านาง นางเห็นสิริสมบัติของตนคิดอยู่ว่าเราทำกรรมอะไรหนอจึงได้สมบัติอันมากเห็นตานนี้ก็กล่าวว่าเราได้ทำการบูชาพระเถระด้วยเสาดอกไม้ทองสามต้นในที่ปริณิพานของพระสารีบุตรเถระมหาชนเหยียบเราแล้วแต่นั้นเราก็ได้ตายในที่นั้นและเกิดในที่นี้เราจะกล่าวผลบุญที่เราอาศัยพระเถระแล้วในบัดนี้แก่พวกมนุษย์จึงลงมา พร้อมทั้งวิมานทีเดียวมหาชนเห็นแต่ไกลก็เลยดูสำคัญว่าดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นสองดวงหรือหนหอเมื่อวิมานมาอยู่ลักษณะเรือนยอดก็ปรากฏกล่าวกันว่านี่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์นั่นเป็นวิมานหลังหนึ่งแม้วิมานนั้นก็มาแล้วในขณะนั้นรออยู่เหนือเชิงตะกอไม้ของพระเถระเทะิดาจึงหยุดวิมานไวในอากาศนั่นแหลลงมาสู่แผ่นดินมหาชนก็กล่าวว่าผู้เป็นเจ้าท่านเป็นใคร บอกว่าเราชื่อนางเรวดีบูชาพระเถระด้วยเสาประดับด้วยดอกไม้ทองสามต้นถูกพวกมนุษย์เหยียบและตายไปเกิดในพิภพดาวดึงเชิญท่านทั้งหลายดูสิเรศสมบัติของเราบัตรนี้ถึงพวกท่านก็จงให้ทานทาบุญเถิดพูดถึงผู้ที่เอาเครื่องสักการะมาบูชาเราก็มีผ้าฉับพันรังสีผ้าสีทองประดับด้วยลวดลายดอกไม้เครื่องหอมประทีปคมไฟเนี่ยนะ เราก็มาร่วมบูชาพระสารีบดตามรอยนางเรวดีเรามีกระดิ่งเพิ่มด้วยนะข้านางกล่าวสรรเสริญการทํากุศลและประทักษิณเชิงตะกรพระเถระก็ไปในเทวสถานของตนนั่นเทียวฝ่ายมหาชนเล่นอยู่อย่างเรียบร้อยอยู่จบวันแล้วก็ได้ทําเชิงตะกรด้วยของหอมทั้งปวงเชิงตะกรดประกอบด้วยแก้วเก้าสิบเก้าชนิด คนทั้งหลายยกพระสรีระของพระเถระขึ้นเชิงตะกรอนแล้วก็เผาด้วยหญ้าแฝกการฟังธรรมย่อมเป็นไปตลอดราตรีทั้งหมดในตาชาพระอนุรุธทธะเถระจึงเอาน้ำหอมทุกชนิดดับเชิงตะกรอนพระเถระพระจุนท่าใส่า้าลงในผ้ากรองน้ำแล้วก็คิดว่าบัดนี้เราไม่อาจจะเก็บไว้ในที่นี้ได้จึงกราบทูลว่าพระสารีบุตร ผู้เป็นธรรมเสนาบดีพี่ชายของเราปรินิพานแล้วแดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องกลับไปเล่าถวายพระองค์ได้ถือเอาผ้ากรองน้ำที่ห่อธาตุและบาทจีวรของพระเถระไปเมืองสาวัตถีพักไม่เกินสองคืนในที่หนึ่งหนึ่งถึงเมืองสาวัตถีด้วยการอยู่แต่ละที่ในหนึ่งคืนในที่ทั้งตวงเพื่อแสดงเนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกล่ว่าครั้งนั้นเสามเณ น, นจุนทะ ทีนี้พระมหาจุนท่าเนี่ยมีอุปชาชื่อว่าพระนนทก็เลยเข้าไปหาพระนนทก่อนก็พระนนทกับพระมหาจุนท่าก็ชวนกันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอท่านเข้าไปเฝ้าแล้วพระนนทเถระก็กราบทูลชี้แจงเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างอย่างนี้วันนี้เป็นบาดจีวรของท่านพระสารีบุตรนี้เป็นผ้ากรองน้ําห่อท่าพระสารีบุตรก็ไปเล่าแล้วก็ยื่นเหมือนกับว่าถวายกระดูกแด่พระพุทธเจ้าเลยนะถวายพระธาตุ พระศาสดาก็ทรงเหียดพระหัตรับเอาผ้ากรองน้ําหอธาตุวางไว้บนฝาพระหัตถ์ตรัสต่อพิสุทั้งหลายว่าพิกสุทั้งหลายภิกษุนั้นใดวันก่อนนั้นทําปาฏิหาริย์หลายร้อยอย่างขออนุญาตปรินิพานบัดนี้ธาตุทั้งหลายเปรียบด้วยสีสังเหล่านี้ของเธอปรากฏอยู่ธาตุของพระศาสดบุตรเหมือนสีสังสีขาว ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้บำเพ็ญบา ร, รมีมาหนึ่งอสงไขยกําไรแสนตับให้ธรรมจักที่เราให้เป็นไปแล้วเธอเป็นผู้สอนองค์ที่สองที่เราได้เฉพาะเป็นผู้ให้สาวกสันนิบาตครบภิกษุนี้เว้นเราเสียหาผู้เสมอด้วยปัญญาในเหมือนจักรวาลไม่ได้เธอมีปัญญามากเธอมีปัญญาหนาแน่น เธอมีปัญญากล่าวให้บันเทิงได้เธอมีปัญญาเล่นไปโรเธอมีปัญญากล้าเธอมีปัญญาในการแทงตลอดเธอเป็นผู้มีความมักน้อยสันเดษเป็นผู้สงัดเป็นผู้ไม่คลุกคลีเป็นผู้ปรารบความเพียรเป็นผู้ตักตวนผู้ติเตียนความชั่วเธอละมหาสมบัติที่ได้แล้วโดยเฉพาะบวชแล้วห้าร้อยชาติมีความอดทนเสมอด้วยแผ่นดินในาศาสนาของเรา เธอเป็นเช่นกับโคอุสภพะที่เขาขาดเธอมีจิตอ่อนโยนเช่นกับบุตรคนจันทานพวกสุทั้งหลายพวกเธอจงดูทา่าของท่านผู้มีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญากว้างมีปัญญาเล่นไวมีปัญญากล้าแข็งมีปัญญาแห่งผู้ควรแท่งตลอดเป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีปรารบความเพียน เป็นผู้ตักตวนติเตียนความชั่วและคงก็ตรัสเป็นคาถาว่าสารีบุตรใดละตามทั้งหลายอันเป็นที่รื่นรมแห่งใจเบื่แล้วห้าร้อยชาติพวกเธอจงไหวพระสารีบุตรเทระนั้นผู้ปราศจากราคะมีอินทร์สำรวมดีแลอปรินิพานแล้วเถิดสารีบุตรใดมีความอดทนเป็นกำลังเสมอด้วยแผ่นดินย่อมไม่หวั่นไหว ทั้งไม่เป็นไปในอำนาจจิตมีความอนุเคราะห์เป็นผู้ประกอบด้วยกรุณาตริญญานิพานแล้วพวกเธอจงไหว้สารีบรนั้นเถิดลูกคนจันทานเข้าไปในพระครนแล้วมีใจเจียมตัวถือกระเบื้องเที่ยวไปฉันใดสารีบุตรนี้ก็อยู่ฉันนั้นพวกเธอจงไหวสารีบุทผู้ปริญญานิพานแล้วเถิดก็โคอุสภะตัวมีเขาและหูขาดแล้ว ไม่เบียดเบียนเที่ยวไปายในเมืองฉันใดสารีบุตรนี้ก็อยู่ฉันนั้นพวกเธอจงไหว้สารีบรผู้ปรินิพานแล้วเธอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญพระเถระด้วยคาถาห้าร้ประการด้วยประการชนีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญพระคุณของพระเถระโดยประการใดๆพระอานนเทเถระก็ไม่อาจจะดํารงอยู่โดยประการนั้นๆจิตใจก็วันไว เหมือนไก่วิ่งไตข้างหน้าแมวฉะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านพระนนเถระก็กราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญกายของข้าพระ อ, องค์ก็หวั่นไหวตาเป็นหนึ่งจะ ง, งอมระงมไปหมดทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏธรรมะก็ไม่แจ่มแจ้งเลยที่ได้ข่าวว่าพระสารีบุตรปรินิพานที่พระ อ, องค์ก็ถามว่าพระสารีบุตรเนี่ยพาเอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันขนิมิตขันนิมิตยานัทสนขันปรินิพานไปด้วยหรือแบบไม่ใช่อย่างนั้น พระสารีบุตรไม่ได้พาเอาคุณธรรมเหล่านั้นปรินิพานแต่ว่าพระสารีบุตรเป็นผู้กล่าวสอนให้รู้ชัดแสดงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงเป็นผู้ที่ไม่เกียจคร้านในการแสดงธรรมสงเคราะห์เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายข่าพระองค์ทั้งหลายมาตามระลึกถึงโอชะแห่งธรรมธรรมสมบัติและการอนุเคราะห์ด้วยธรรมนั้นของพระสารีบุตร เราทั้งหลายก็มาได้ยินได้ฟังเรื่องของพระสารีบุตรผู้บำเพ็ญบารมีมาหนึ่งอสงไขแสนกลับเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติ ต, ต, ตามธรรมวินยัยตรัสรู้ อ, อริยสัจ ต, ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะเดียวกันพระสารีบุตรตรัสรู้ อ, อริยสัจโดยนิยต่างๆหาประมาณไม่ได้ก็ยังเอาพระธรรมเหล่านั้นที่ท่านรู้ตามพระพุทธเจ้ามาช่วยแต่งตั้งแสดงเปิดเผย สงเคราะห์อนุเคราะห์โมมูลเวนยศัสตร์ทั้งหลายเราก็ดูได้จากว่าพระวินัยปิฎกภาษาดิบุตรก็เป็นผู้อาราธนาให้บัญญัติพระวินัยทีคณิกายคือสังขีติสูตรทัศน์ประสูตรสำภาษาธนิยสูตรก็เป็นสูตรที่ภาษาริบุตรแสดงสัมมาทิฏฐิสูตรเป็นต้นนะนะก็ภาษาดิบุตรเป็นผู้แสดงแม้กระทั่งคำพูดจูและนิเทศมหานิเทศคำพูดปฏิสัมพิธามักภาษาริบุตรก็แสดง จริยาปิดกพระสารีบุตรก็เป็นผู้อาราธนาให้แสดงพันธีแม้กระทั่งพุทธวงศ์เนี่ยก็พระสารีบุตรอาราธนาให้แสดงอภิธรรมปิดกเนกี่ยก็พระสารีบุตรเป็นผู้ที่รับจะพระธรรมมาจำแนกแจกแจงรายทั้งหลายมาเร่วมสมรรเสริญคุณของพระสารีบุตรโดยการสวดสังฆคุณพร้อมกัน